ถ้าให้เราศึกษาดูถ้าเราศึกษาดูทุกวันนี้เขคงจะมีมั่งกดไปกันดวงตามหาบัวหรท่านพูดเรียงอริยภูมนะิคงจะเป็นตัวหนังสือหรือเป็นธรรมเทศนาออกมาให้ฟังๆเนาะนะลูกหลานแต่สรุปแล้วแต่ลุงพ่อสรุปบอกว่าวก่อนที่จะไปถึงอริยภูมิหนระือท่านพูดถึงผลแล้วแต่วิธีการเดินมัก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 เราบังคับจิตใจของเราอย่างไรอันนี้คือเบื้องต้นที่พวกเราจะเดินไปสู่มรรคผลเหมือนกับคนที่เขาจะเป็นเศรษฐีอย่างพวกเราอ่านประวัติเขาอย่างสินโสผลพาณิชเนี่ยที่ท่านมาอยู่เมืองไทยท่านก็บวาขายก๋วยเตีย๋ยน่ะนั่นหละนั่นแหละกอไก่หรือว่าเอ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 แต่สั่งสมมาเท่าไหร่สี่อสองไขยกำไรแสนมหากรัปพระอะสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยสองอสองไขย เ, ยเออพระประเจกนี่มากกว่าอลองลองจากพระพุทธเจ้านี่แหละเมื่อท่านได้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าเออเอาางป่าต่อไปนะแล้วเราไปนะท่านก็เหาะเลยเหาะไปอยู่กระหมูของท่านที่เขาขันธมาต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 อย่างนันก็ได้ทําบุญนั่นแหละถ้าผู้ใดได้ทําบุญอย่างนั้นแปลว่าเหมือนกับถือหัวแจ็คพอตและทนีน่เพราะได้ทําบุญกับพระปฏิเจกพุทธเจ้าเนะี่นี่แหละสรุปแล้วก็คือทำคําสอนเนี่ยแต่พระปฏิเจกพุทธเจ้าเนะี่ยท่านได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านรู้ด้วยพระองค์เองแต่พวกเราเนี่สาวกะสาวก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 มีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวท่านว่าสยามผูรู้แจ้งโลกพระพุทธเจ้าสยามผูรู้แจ้งโลกกันนอกนั้นแตสาวกา่าแล้วจะเป็นผู้สดับต้้องเป็นผูศึกษาแต่ละวิชาอาชีพพวกเราดูซิอย่างกฎหมายนี่กฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายในประเทศกฎหมายแต่ละประเทศเป็นยังไงเกษตรมีกี่อย่าง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 ออยู่ในห้องแนละ้วยนอนลงไปกับตาเรื่อมแมปแมปพอเห็นร้อยปีในลูกหลานไปเห็นมหพอเห็นร้อยปีเลยตาเรื่อมแมปแมอช่วยคนอื่นไม่ได้จะอยู่ไปนานจากทะรลกอกขา้าวต้มาอย่างไรจะเอาไหมอย่างนั้นโอ้ยหลวงพ่อไม่เอาแล้วไปดีกว่าปะเพราะฉนั้นหลวงพ่อนะอายุถึงขนาดเนี่หลวงพ่อเออสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีลูกหลานนะ่าจะตั้งอยู่ในความประมาท